เมื่อใดที่กลัวผีให้ตั้งสติอยู่ตรงนั้นต่อจนกว่าความกลัวจะหายไปความกลัวผีทั้งที่ไม่เคยเห็นผีเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้ถนัดว่าความปรุงแต่งทางใจเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำเมื่อใดที่กลัวผีให้ตั้งสติอยู่ตรงนั้นต่อจนกว่าความกลัวจะหายไป นั่นเพราะเมื่อความกลัวทวีตัวเข้มข้นถึงขีดสุดไม่มีที่ไปต่อจากนั้นมันจะคลายลงเองและเมื่อใดเห็นความกลัวหายไปเมื่อนั้นเราจะรู้จักความกลัวดีขึ้นผีบ้าข้างนอกจะมีจริงหรือไม่จริงยกไว้ก่อนแต่ผีขี้กลัวข้างในมีจริงแน่ๆเมื่อเห็นผีขี้กลัวไม่เที่ยงเราจะไม่เห็นมันน่าสะเพรงกลัวอีกต่อไป และเมื่อมันไม่แน่จริงต้องจากตายหายสูญต้องสาบสูญไปจากใจไม่ต่างจากลมหายใจต้องระบายหายไปจากกายหาได้มีความพิเศษหรือมีอำนาจเหนือไปกว่าของธรรมดาอื่นใดในโลกเลยถ้าสติยังไม่เข้มแข็งพอจะสวดมนต์หรือท่องนโมไปก็ได้คำแนะนำของพระพุทธเจ้ามีให้กับผู้เจริญสติในป่า ต้องเผชิญหน้ากับความมืดของราวป่าหน้าสยดสยองซึ่งนับว่าหน้าหินใจแต่ชาวบ้านทั่วไปแม้เห็นห้องนอนตัวเองตอนมืดก็กลัวได้โดยเฉพาะหลังจากดูหนังผีจบมาใหม่ๆถ้าเอาวิธีของพระพุทธเจ้าไปใช้แล้วได้ผลก็จะได้ประโยชน์ทางการเจริญสติมีปัญญาในการเห็นความปรุงแต่งทางใจเพิ่มขึ้นด้วย